รับ ش رح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يقهو قولي اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا ظلمنا أنفسنا و إ ل م ت غ ف ر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ن <ت ض ح> ับบเน ن ติ م าหมิลลั حم ะวเฮียลา ن าหมิน ر ัมร ا นารชเดะ a l h a m d u l سبحانه แ تعالى วันนี้เป็นวันแรกนะครับหลังจากผ่าน رمضان a l h a m d u ل i l ل a قب บ ن ั ل ล م ฮฺบิน ك อฺหมิ ا ل ุมซ ا ل ิฮฺลัลว่า เดือน رمضان นะครับที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เราได้ตักตวงทำอามันความดีต่างๆมากมายนะครับเป็นพิเศษหล <c oughs> ังจากที่ผ่านรม ض อนไปห้ามดุรินละวันนี้เราก็กลับมานั่งเริ่มเรียนนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัศสีรของเราเป็นการอิสติกมะอินชาอัลลอ์แน่นอนว่า เดือน ر ม ض ا ن กับนอกเดือน ر ม ض ا ن เนี่ยมันมีความต่างกันเยอะอันนี้เราก็ต้องยอมรับตอน ر ม ض ا ن เราสามารถที่จะละหมาดแต่เราวะสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้เยอะศดัทกาเขาก็เยอ ะ, อะหลังบางคนก็ถามว่าแล้วหลัง رمضان เราจะทำอะไรทำไมชีวิตหลัง ر ม ض ا ن มันถึงเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะนะ พอจบ ر ม ض ا ن ไปแล้วเนี่ยมันต่างกันเยอะมากกับช่วงเดือน ر ม ض ا ن ผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ชีวิตของเราในช่วงเดือน رمضان ม, มันพิเศษกว่าช่วงอื่นเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า رمضان เป็นช่วงที่พิเศษจริงๆและอย่างที่เราทราบกันดี ر ม ض ا ن มีฟาดิลัตมีความประเสริฐเยอะอัลตตะลาเปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนรกล่ามชัยตอน เราเองก็ได้จัดการชีวิตในช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยอย่างเป็นระบบทีนี้พอออกจากพรอมอรดอนมาเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วเราต้องกลับมาใช้ชีวิตในแบบเดิมๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าจำเป็นต้องมีนะครับแม้ว่ามันจะต่างกันค่อนข้างมาก ระหว่างชีวิตในรมฎอนกับหลังรมฎอนเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราที่เราต้องเขาเรียกว่าเป็นขั้นต่ําของชีวิตเราอะ่ะนั่นก็คือจะทําอย่างไรที่เราจะรักษาสภาพให้มันอยู่อย่างน้อยที่สุดแม้ว่าจะไม่สามารถทําอามัลอิบาดะได้เยอะเหมือนตอนอยู่ในรมฎอนแต่ก็อย่าให้มันลดขั้วแบบ ฟ้ากับเหวให้อยู่บนดินนะอย่าอย่าลงเหวเหมือนแบบว่าช่วงระมอตอนนี้เราบิงบนฟ้าอยู่นะทำอาวุธอิบานดาเยอะแยะไปหมดพอจากจบระมอตอนมาเนี่ยอย่างนั้นก็ยังให้อยู่บนดินอย่าให้มันอยู่ในเหวกักนแล้วิม่ชอลเหนะครับการเรียนการสอนของเราก็พยายามที่จะให้เกิดระบบที่ว่าระบบการรักษา ความอิสติกล์มาของเราให้เราเดินไปต่ออนี่คือเราต้องยอมรับนะครับว่าการเรียนทานสอนของเราหรือว่าการที่เรามานั่งอย่างนี้ต้องการให้อะไรนะเขาเรียก <c oughs> ให้สามารถไปต่อได้อลอิสติกล์มาเนี่ยการยืนหยัดอยู่บนเส้นทางเนี่ยน่าแปลกมากเลยมันใช้คําเดียวกันกับคําว่าอิฮินัสซิร่กอลโมสต์จิก ใช่อัรัตอัลมุสติกที่อัลลอฮฺซุลเลาะห์มุลลาบอกว่าคือเส้นทางที่จะนาเรากลับไปหาอัลลอ์อัตอัลมุสติกแล้วคาว่าอิสติควะมเนี่ยมันก็คือคาเดียวกันมุสติกิ่งอิสติะเนี่ยจริงๆแล้วมันคือคเดียวกันแต่มันเปลี่ยนรูปในวิชาภาษาอาหรับหรือว่าวิชาออฟนั้นเปลี่ยนจากอิสติอวะมเนี่ยเป็นมัสดาร มุสตากินญาเป็นศิฟธแค่นอนเองรักันเดียวกันเหมือนกับว่าอัอิรัตัลมุสตากีญเส้นทางของลอตอาลาที่จะพาเรากลับไปสู่พระองค์สู่สวรรค์สู่เป้าหมายสุดท้ายของเราหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเส้นทางเนี้ยมันมีแค่เส้นทางเดียวนี่แหละมันต้องอาศัยการอิสติกอต้องอาศัยการทาเรืเ่อย อิสติควาห์ก็คือการไม่หยุดทาต้องทำไปเรื่อยๆแล้วน่าแปลกมากเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์สุราห์ที่เราจะเรียนหลัง ر ม ض ا ن ปีนี้เป็นสุราห์ที่มีอายัดหนึ่งที่พูดถึงการอิสติคมาห์อยู่ที่ประมาณอายัดที่สามสิบเดี๋ยวจะได้เรียนกันเป็นอายัดที่พูดถึงเป็นอายัดที่พูดถึง การที่เรายืยนอยางบนเส้นทางของ Allah س ب ح และแล้วสุดท้ายน้องบอกว่ามีเสียงไม่ค่ชัดสุดท้ายเวลาที่เราเสียชีวิตเนี่ยบรรลาสุดท้ายของเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้เรียนในตอนต้นของสุนัะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เอาเอา นจากคือหลายคนถ่ายเอกสารมาไม่พร้อมด้วยนะครับเราอาจจะเพื่อ น, นำไปก่อนคืนนี้เป็นบทนําบทนําเฉยๆก่อนว่าสุวัสดิศิลป์ที่เราจะเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างไรมาดูอ่านตามชีตเลยนะอ่านตามชีตเลยเรอบที่เราไม่ได้ถ่ายตัวที่เป็นให้ความหมาย สุรพ ah ์อ nah ah ุศ ah ิลนในั h h ่นเอเขียนว่าสุรพ์แห่งอัลสัจเดสุรพ์แห่งอัลสัจเดมีซักท <ays> ีนะครับข <ays> ้างบนภาษาอับบสังเกตไหมให้เราสังเกตหมข้างบนที่อยู่ในกรอบอาจจะต้องเดี๋ยวก็บนึงกบยังมี เียมชื่อสุราคือสุราที่เรารู้จักกันดีก็คือสุราทุฟุศิลัดแต่มันจะมีอีกชื่อหนึ่งในนี้ที่ขเขาเขียนน่ะในเล่มภาษาไทยที่เราถ่ายภอการามาเนี่ยมันจะเขียนว่าฮามินอัลสัจด ะ, ะสุราฟศิลัดเนี่ยชื่อฟุศิลัดนี่เอามาจากเอามาจากไหนแ น, น, น่นะอนนะครับก็เอามาจากอายัด จะตีสามคัตบ์ฟ so, ิลอายตุฮรานนอาหรับยลิาม์ย์อัลเมุนอ wow ันนี้ชื่อชื่ออย่ที่นนะครับส่วนชื่อพามิมอัลสัจดะเนี่ยอามั้ยนไอ้พามิมอัลสัจดะพามิมอัลสัจดะก็เนื่องจากว่า สุราห์น ah ah, ี im, ya, mi, u, i, ah. na, non, ้เป็นอีกสุราห์หนึ่งที่เริ่มต้นด้วยรูฟมุกัตตาห์นั่นก็คือฮามีเพียงแต่ว่าุราฮามีเนี่ยมันมีหลายสุราห์ใช่ครับเราเรียนสุราห์กฟก็เริ่มต้นด้วยฮามีสุราอัลอะ์กฟที่เราเรียนมาก่อนน้นนีสองสุราห์แล้วี่เราเรียนก็มีฮามีเหมือนกันอัลฮาวามีเนี่ยมีอลสุราห์ในจานวนอัลฮาวามีมสุราห์เนี่ย Mula surah, surah, surah ni, miciapok surah fushilat surah diau tni mikan sujud sajadah duit. Kalay riek surah ni wah surah hamil sajadah. Niau cie surah kan. Alhamdulillah. Raya wela ของการ perdan surah, dalam hadis tni cehat jua dain surah ni ditegu perdan lomah. Lngajak kan yunyan kawat kah of hamza. ลุงของท่านนบีและก่อนที่อุมัรจะประกาศยืนยันความศิสลาม์แสดงว่าสุราห์นี้ถูกประทานที่ที่มักกะนะครับเป็นสุราห์มักกียีย์เป็นสุราห์ที่ถูกประทานที่ในสมัยมักกะฮ์และเป็นสุราห์แรกแรกด้วยซ้ําไปนะครับที่ถูกประทานลงมามุฮัมมัด bin อิสฮารนักศึกษาอัตชีวประวัติของท่าน رسول ุลลอฮ์สุลลัลสลามในยุคนั้นได้รับรายงานจากมุฮัมมัด b i นกับอัลกูรอชีซึ่งเป็นคนรุ่นหลังสาวกของท่านนบีว่าวันหนึ่ง อ่านี่เป็นที่มาที่ไปสาเหตุไม่น่าจะเป็นสาเหตุอันนี้ไม่ได้เป็นอัสบุนุซูลไม่ได้เป็นสาเหตุของการประทานนะแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุรฟุตซิลั์เนี่ยจริงๆแล้วผมยังยังไม่อยากจะอ่านตรงนี้เป็นเรื่องราวของอุตอุตบเป็นรบีรอ์เหตุการณ์นี้ไม่ใช่สาเหตุการประทานสุรสุ ร, ส ร, สรประทานลงมาแล้ว แต่เป็นเหตุการณ์ที่อธิบายถึงการที่ท่านนบีสุลต่านอฺอ uh uh um ่านสุรฟุตสิลัดให้พวกผู้ชลีฟีฟังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่อัลมาฮ์รับอิสลามพวกโพรเชหัวหน้าเผาพวกที่เป็นกลุ่มแกนนําของโเรชเนี่ยก็มาประชุมกันว่าโอ้ไม่ได้ละอปล่อยให้มุฮัมมัด ด่าวะชเชิญชวนเรียกร้องอย่างนี้ต่อไปเนี่ยสังคมมักกะปันป่วนแน่นอนต้องจัดการละก็เลยก็เลยบอกว่าเราต้องส่งตัวแทนไปคุยนไม่แน่ว่ามุฮัมมัดเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นอย่างนี้ทำไมอยู่ดีๆถึงมาพูดแปลกๆโดนเสฮดหรือเปล่า อย่างที่เรารู้กันดีนะพวกโคเรชเนี่ยกล่าวหาท่านนบีสัลลัลลอฮุซุลเลาะห์สัลลัมตนะ่บางคนก็บอกว่าโดนเซฮ์ฮบางคนก็บอกว่าบ้าก ah ็เลยว่าเอาเอาไงก็เอากันลองส่งตัวแทนไปพูดคุยถ้าโดนเซฮ์ฮเนี่ยเราจะได้รักษาอั <laughs> าลลอฮฺ <laughs> บอกว่าถ้าโดนเซฮ์ฮเดี๋ยวเราจะได้รักษาไม่หายจะได้ไม่มาเกาะกวนเรานะบางคนบอกว่าไปเอา หัวหน้านักศิทยศาสตร์ที่เก่งที่สุดมาประลองฝีมือกับกับมุฮัมมัดเลยนะถ้ามุฮัมมัดเป็นนักเลือดจริงๆปรากฏว่าอัตบะเป็นโรบีอ่า ah. อในนี้เขียนว่าเป็นพ่อตาของอบดุซุฟยานเนี่ยก็เลยอาสาไปอัตบะบอกว่าฉันนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันเคยมีประสบการณ์ก็คือเป็นคนที่มีประสบการณ์ฉันรู้ อันไหนเป็นเซฮ์ตอันไหนไม่ใช่เซฮ์ตเนี่ยเดี๋ยวฉันฉันอาสาเองถ้าอย่างนั้นเพราะว่าฉันฉันมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ดิไม่จำเป็นต้องไปหาไอ้พวกนักเซฮ์ตมาหรอกเดี๋ยวฉันจะไปหาเองฉันจะไปคุยกับมุฮัมมัดเองอัตบะฮ์เป็นรับีอ่ะก็เลยเข้าไปหาท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วก็ไปคุยก็พูดดีนะอัลตุบะฮ์บอกว่าอย่างไง่ะจริงๆแล้วมีอยู่ในเดี๋ยวเราค่อยอ่านอีกรอบหนึ่ง อันนี้เราไปสั้นๆนก่อนอัาอุชบะก็เลยไปถามท่านน บ, บีว่านี่อัมุฮัมมัดเจ้าเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ถ้าเจ้าอยากจะได้ตำแหน่งเราก็จะให้เจ้าเป็นเป็นผู้นำของเราถ้าเจ้าไม่มีเงินเราก็จะหาเงินมาให้เจ้าเจ้าจะเอาเท่าไหร่หรือถ้าอยากจะได้หญิงสาวอยากจะแต่งงานอยากจะมีครอบครัวมาเราจะหาให้ ก็พูดยาวพูดเลี่ยนกลมฟังนาะชักแม่น้ำทั้งห้ามาพูดปุ๋ยมาบอกกับท่านนะพิงพูดอย่างนุนว่าอย่างนี้อธิบายโน่นนี่นั่นพูดยาวไปเลยขออย่างเดียวก็คือหยุดมาสอนเราเรื่องอิสลาไ ม, มาา Allah, ไม่ต้องมาบอกเราเกี่ยวกับอล l l a h ไม่ต้องมาบอกเราเกี่ยวกับอัฟิโรไม่ต้องมาบอกเราเกี่ยวกับองค์กรมต่างๆที่เกี่ยวกับอิสลามให้หยุด หยุดพอแคน่นี้อยากจะได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับดุนี้เราจะให้หมดเลยแต่อย่ามาพูดเกี่ยวกับศาสนาอิสลามของเจ้าให้เราฟังกล่าวยาวมากเลยนะครับพูดยาวมากเลยจนกระทั่งเหนื่อยหมดเลยไม่รู้จะพูดอะไรก็หยุดพอหยุดพูดอย่างนี้ปุ๊บท่านอับดสลลอฮฺสะลลัลลอฮฺสลา ห, าหา์กลล็เลยถามว่าเสร็จแล้วใช่ไหมอบุลวลี ถ้าจะไม่ปิดกุญยะของอตุตบ์ก็คืออบดลวลิหมดแล้วใช่ไหมงั้นฉันจะพูดบ้าง <c oughs> ท่านพูดจบแล้วอัวะลลอฮท่านทบีก็ฟังนะฟังอีกอีกฟังหนึ่งคุยคุยคุยุ ย, ย, ยทางนี้ก็เงียบฟังไม่ได้แสดงอาการแบบว่าอะไรเขาเรียกะกะนแรกระหว่างที่อีกคนหนึ่งพูดไม่ตั้งใจะอะไรับ ฟังด้วยความมั่นใจนะว่าดูซิว่าเขาจะพูดอะไรแล้วสุดท้ายก็บอกว่าจบแล้วใช่ไหมงั้นฉันขอพูดบ้างท่านนบีเนี่ยไม่ได้ใช้คาพูดของตัวเองเลยแม้แต่น้อยเริ่มพูดก็เอาอายัดอัลกุรอานมาพูดอุบิลลาฮิมินชนรรีบิสมิลลาฮิรรห์มานรรฮีมามันซลุมินรรห์มานรรฮีมเราานุราะห์ฟุสล อีกฟั่งหนึ่งอชสซาลลัมเหมือนกันก็ไม่แทรกเหมือนกันฟังท่า น, นาบีสุลต่านอันลลอฮฺอัลกุรอานแล้วก็ไม่เคยได้ยินคําพูดแบบนี้มาก็ตั้งใจฟังนิ่งฟังแล้วก็รู้สึกสัมผัสได้แล้วว่าอ่านี่มันเป็นคําพูดที่ไม่นธรรมดะจนกระทั่งถึงอายัดบางรีวะยัดบอกว่าจนกระทั่งถึงอายัดเท่าไหร่บางคนบอกว่าถึงอายัดสามสิบเก้าสามสิบเก้าอน่าจะไม่ถึงนะ บางรีวย <entscheiden> ับอกว่าจนถึงอายที่พูดถึงพวกอาร์อายัดไหนอพวกอาร์ตอะไรอ่ะนะบางรงานเนี่ยบอกว่าถึงอายัดที่สิบสามอายัดที่สิบสาม فإن ر ض و فقل أن ذرتم ص มิสลซากัดอัตและมุดท่าน น, บบานถึงสิบสามอายัดในเล่มนี้เขียนว่าอย่างไงนะเมื่ออ่านมาถึงอายัดที่สามสิบแปดอายัดสุญูดแสดง ว, ว่านะถ้าถ้าตามนี้เนี่ยแสดงว่าท่านน บ, บีอ่านยาวแต่ว่าในบางรายงานเนี่ยบอกว่าอ่านถึงอายัดที่สิบามอายัดที่สิบามี่ความหมายว่าอย่างไงฟาอินอัรดูถ้าคนเหล่านั้นหันหลัง ไม่รับฟังอัลกุรานที่ที่ท่ น, นบบเอามท่านนบี่ท่านลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมออกมาด่ว่าเนี่ยฟักุลอัมดาร์จุกุมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัฉันขอเตือนพวกท่นานสอเอ็คะสอเอ็คะก็คืออะไรอ่ะฟาพาสอเอ็คะท่านพายุฟาพาการลงโทษ มิสลสั่งกาตีอาดินวละสมูดเหมือนกับท mm ี hmm. ่พวกอาดและพวกสมูดเคยโดนแค่นั้นแหละอัตบะพอได้ยินอายะนี้เนี่ยรีไปปิดปากท่านนบีสุลลัลละอัลลอฮเพราะว่าพอกอหยุดๆยุดกลัวนักกลัวว่าเพราะว่าตัวเองนะพวกกูร์รีไม่รับฟังอัลกุรอานไม่ยอมรับฟังอัลกุรอานก็เลยบอกพอๆอแค่นี้นะครับ ไม่พูดอะไรเลยออกออกไปเลยแล้วออกไปเนี่ยบางก็บอกว่ากลับไปบ้านไม่เจอใครกลับไปบ้านเลยจนกว่าอบูจหัลไปหาอับูจหัลเนี่ยอา่าพออับุลบาศกลับไปถึงบ้านเนี่ยก็เก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนเลยไอ้คนที่ส่งไปเนี่ยไอ้พวกแกนนํากุเรชัวโจกทั้งหลายที่ส่งอับดาไปนี่ก็แปลกใจว่าอับุลบาศหายไปไหนอบูจหัลก็เลยไปหาถึงบ้านก็ไปเรียกออกมาว่าไหน เป็นยังไงรับอิสลามแล้วใช่ไหมโดนของแล้วใช่ไหมโดนของอลไรอย่างเงี้ยถ้าเราโดนของแล้วใช่ไหมเนี่ ย, ย, มยไม่ออกจากบ้านที่โดนแล้วใช่ไหมแล้วก็ทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันสุดท้ายอบูจาฮัลเนี่ยไปจี้จุดะไปจี้จุดว่าแอะแล้วนะครับรับอ่าอะไรนะอ่าก็เรียกว่าอะไรนะเป็นคนแก่เสียเปล่าแล้วสุดท้ายก็ไปแพ้เด็ก ไม่สิ่นกลิ่นน้ำลงอะไรประมาณเนี้ยไปพูดที่จุดที่ใจดําก็เลยเกิดอาการโมโหอเกิดอาการโมโหออกไปอ่าออกไปข้างนอกก็เลยไปประกาศว่ายังไงยังไงฉันก็ไม่รับอิสลามแน่นอนนะนี่คือเรื่องราวของที่เกิดขึ้นกับอุชระบินรบิยะที่ได้ไปเจอกับท่านน บ, บีสุลต่านอัลลอฮ์สุลแลมเดี๋ยอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวอเดี๋ยวอาจจะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นรายงานของมันจรงิจรงๆ จ, จากกัฟซีรอิบโนกาซีรเนี่ย มีเรืงางนี้อยู่นะครับทีนี้เนื้อหาสาระเนื้อหาสาระของสุรานี้เนี่ยจริงๆแล้วกำลังพูดถึงอะไรไปน้องครับอย่างที่เราทราบกันนะครับสุรากาเซทที่เราเรียนไปเนี่ยเป็นสุรากที่กําลังพูดถึงจริงๆแล้วเนื้อหาเนี่ยในสุรากาวามีหรือว่าสุรากิ่งต้นด้วยฮาเนี่ยเนื้อหาไม่ค่อยจะแตกต่างกันมากสุรากุศลัดเอง เนื้อหาของมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกับสุรษลัสร์ที่กำลังนำเสนอข้อเท็จจริงของอัลกุรอานหรกรินและท่าทีของพวกมุชริกีนที่ไม่ยอมเชื่อฟังเป็นการนำเสนอว่าอัลกุรอานมีข้อเท็จจริงเป็นความจริงอย่างไรและพวกมุชริกีนมีท่าทีอย่างไรเป็นการแนะนำท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิซลลัมว่าให้รับมือยอย่างไรเวลาที่พวกมุชริกิน เปล่าหาโจมตีจะโต้อตอบไปอย่างไรอันนี้คือส่วนใหญ่แต่เนื้อหาในสุราฟุตซิลัดเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าอาจจะน้อยกว่าสุรสาออฟเฟรตเนี่ยเราจะมีเหตุการณ์ที่ เ, เกิดขึ้นระหว่างการโต้เถียงที่อลัาลตารายกยกตัวอย่างระหว่างใครนะฟิร่รากับยา ของตัวเองนะครับทิ่โตเถียงกันไปเถียงกันมาซึ่งก็เหมือนกับพวกมุสลิมีที่โตเถียงกับท่านนาบีสุลตลล่านในสุร า, ากาเฟตแต่มาในสุรักุสซิลันเนี่ยละอะไรม่ได้ยกเรื่องราวการโต้เถียงนั่นละทิ้งไปละเหมือนเป็นการสรุปจากสุร า, ากาเฟตให้สั้นลงอีกนิดหนึ่งโฟกัสที่ข้อเท็จจริงของอัลกุรอานแล้วท่าทีของมุสลิมีเป็นอย่างไรการไม่ยอมรับฟังอัลกุรอานผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไร และผลสุดท้ายของบรรดาคนที่ศรัทธาต่ออัลกุรอานคนที่ศรัทธาต่อท่านนบีสลุลต่านจะได้รับอะไรค่อนข้างที่จะโฟกัสไปณนจะุดนั้นมากกว่านะครับพร้อมกับการยกหลักฐานอื่นๆที่เป็นอุบูบี้ความความมหัศจัรย์ในการสรรรส้างของ Allah. ร่องสะพานอัลตาลาอันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นเนื้อหาจุด ป, ประสงค์ก็คือเพื่อเรียกให้บรรดาคนที่อยู่ ในสมัยของท่านนาบีสุลต่าลอฮะเลวิสัลลัมยอมรับในข้อเท็จจริงของ Al อัลกุรอานุลแกรีผมอาจจะต้องอ่านแล้วสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเรายังมีเหลืออีกเยอะเดี๋ยวผมขออ่านขออ่านสักสอายัดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าความหมายของมันเนี่ยจะเป็นยังไงเดแต่เราอาจจะทวนหลังทอนทวนย้อนหลังอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราได้อชี้ในคั้หน้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมอ่านคนเดียวพี่น้องไม่ต้องอ่านตาม أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم ت َ ا, آ, ا ب บุฟ صلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعراض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنتم ما تدعونا إليه وفي آذاننا و ق ر ومن بيننا وبينك حجاب ومن ِ بيننا ََِْ وبينك ََِ حجاب َِ فعملنا نعامل قل إنما إن أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله و َา د ف ت َ ق ์ ي م คิ إليه وستو ف ر وا. و وويلل ل م ش ر ك ي ن الذين لا يؤتون الزكاة وهم ب ا ل آ خ ر ِ ه م كافرون อินนั้ล الذين آمنوا وعملوا ا ل ص ا ل ا لهم أ ا ل ح لله มาดูกันความหมายักหนึ่งเริ่มต้นนะครับอย่างที่บอกฮามินคงไม่ต้องอธิบายละอุรุษมตะเนี่ยเราไม่ต้องอธิบายละนเรารู้แล้วว่าเวลาที่ลลอฮฺ ت ا ل ขึ้นต้นด้วยุรุตะในสุรต่างๆเนี่ย เพื่อเป็นการแสดงถึงความอ ะ, อะไรเขาเรียกแอบเจอสความพิเศษของอัลกุรอานที่ไม่สามารถจะเรียนแบบได้เป็นภาษาอาหรับแต่คนอาหรับเองไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีคํนะาแบบนี้ในภาษาของพวกเขาเป็นการแอบเจสให้กับบรรดาพวกมุชริกีซึ่งเป็นเจ้าของภาษาอาหรับแล้วก็อ้างว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่รู้ภาษานี้ดี ท a n นี่เป็นการประทานมาจากพระผู้ทรงประนิพุสมทัศน์สํารับทคือการเอาลงมา t ลงมาทีละนิดทีละนิดนะเนี่ยลงมาทีละนิดทีละหน่อยตามเหตุการณ์ตามระยะเวลาจํานวนยี่สสามปีโดยประมาณ ในชีวิตของท่านนาบีซลลละฮุดะะฮิะซัลลในขณะที่อินซาละหมายถึงลงครั้งเดียวอัลกุรอานนี้ลงครั้งเดียวด้วยและก็ลงทีละนิดทีละนิดด้วยใช่ไหมครับลงครั้งเดียวนี่ลงยังไงก็ลายละตุลกด ล, ละตุลกดเป็นการประทานอัลกุรอานลงมาครั้งเดียวจากไหนจากอัลลอฮุ ล, ล, ลมาฟูมาอย่าง ใบตุลิซะจากหลุลมาฟุสเหนืสฟองฟ้าชั้นเจ็ดมาที่ใบตุลิซะซึ่งอยู่ที่ชองฟองฟ้าของโลกตรงนี้อันนั้นลงครั้งเดียวตรงเมื่อไหร่ค่ำคืนที่เรียกว่าไลลาตุลฟในขณะที่อันนั้นใช้คำว่าอินเซลอนเซลอินนาอินเซลนาหูในไลลาตล ไมนาทีท er ี่ต้นซีเนี่ยมาจากทั่วเนซัลล์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซลอัลกิฏาบะะลาอัลฺบซะตุลกะฮฟใช่ัเนซัลซะตุล Rutul kafir, r m tu n u z a l lah, w a a n z a l a anzalah wah nuzulah, a k menar, hafid perkhafai doh, doa noh, ni ayat yang kentut nuzulah, z a l a a n z a l a a n z a l a m a a n z a l a h a l a m a n m a c c n a h a s t a g f i r u l l a h a a z a h u z u l a a s t a g f i r u l l a h a l a d i m i l a h macam, c h a s t a g h a l d m i l a h a n g f a h a l i n s u r a h a s t a i r u l a h i m a h a c a m m n s u l a h t a g r a h l a z i l a h m a n u a t a g z i l a n ลงมาทีละนิดทีละนิดอ่าอันนี้หมดเข้าใจละ ว, ว่าลงมาทีละนิดมาให้กับท่านนาบีสุลต่านลงมาจากใครอันนี้ก็น่าสนใจทําไมในอายตดนี้เราแตะละใช้คําว่าอัลลอฮ์มันอัลลอฮิมมีในย่อะไ ร, ม, ะะไรมีความหมายอะไรที่ผูกการประทานอัลกุรอานลงมากับคุณลักษณะและพ่านามว่า อัลลอฮ์มันอัฮแสดงให้เห็นอะไรครับอัล์มนอัฮีนส่วนใญ่จะอยู่ที่ไหนที่เรารู้กันีก็คืออยู่ในบิสมิลลาห์บิสมิลลา์มฮีทีนี้พระองค์ใช้คานามหรือว่าใช้พระนามนี้ในการผูกโยมกับการประทานอัลกุรอานนี้แสดงว่าต้การที่จะบอกวงการละอที่อมจะบอกว่าออ์อนนมคอ หร خ อขึ้ ا พาดห ص ้าลวัศฟาน ل ا อธ ل บายว่าเ ا รา ا ل ่าการสร้างโลกน ا ้เป็นเหมือนคนป่วยที่ต ا องการและอ ا ลกุรอานเป็นยาที่จำเป็ ا สำหรับค ل ป่วยทุกคนและอาหารที ا จำเป็นสำหรับ ا ل ที ا ل ข็งแรงทุกคนดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดี วลดฟีฮีบิขัลตีฮีเราบอกว่าการประทานอัลกุรอานลงมาของพระเ سبحانه และ تعالى เนี่ยเป็นความเมตตาจากพระอบก็เลยใช้ท่านาน้ทานาน้มีความว่าอัลลอฮ์มานก็คือผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปราณีแม้กระทั่งในสุรัตุรัลล์มานก็ยังเอาชื่อนี้ไปูกกับอัลกุรอานอัลลอฮ์มานอัลละลอัลกุรอานใช่ไหมสุรตุร์มาน ัอลุยร์อัลรห์มานฟุบประทานอัลกุรอานนั่นเองไออัลรห์มาน علم อัลกุรอานม่ใช่อนที่อัลกุรอานอัลรห์มาน علم อัลกุรอาน خلق الإنسانعلم เขาอัลบียนอัลกุรอานเนี่ยเป็นความเมตตาจากอัลล์ ب ح ا ن ه และ ت ع ا มาจากพระองค์ผู้ทรงเมตตาแล้วตัวอัลกุรอานเองก็เป็นความเมตตาใน afsir เมื่อกี้ที่ผมอ่านเมื่อกี้ที่เป็นภาษาอาหรับเนี่ย อุลามะบางท่านบอกว่าเนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยมีความจําเป็นต่อเราคุณอ่านเหมือนกับคนป่วยมีความจําเป็นต่อยาในการรักษาสุบฮานอัลลอฮฺปัญหาชีวิตมนุษย์เนี่ยมีปัญหามากเว้ยเยอะไม่ปัญหาในชีวิตของมนุษย์ละอัลลอฮฺในแต่ละวันทําไมชีวิตของมนุษย์มันต้องมีปัญหาเยอะขนาดนี้ไม่เว้นแต่ละวันเลยอ่ะแล้วปัญหาของเราเนี่ยนะ นอกจากจะมีทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายมันไม่เคยว่างเว้นจากปัญหาทุกรูปแบบปัญหาของเด็กก็เป็นแบบหนึ่งปัญหาพอโตขึ้นก็นแบบหนึ่งปัญหาของผู้ใหญ่ก็เป็นแบบหนึ่งปัญหาของผู้หญิงก็เป็นแบบหนึ่งปัญหาของคนแก่ก็เป็นแบบหนึ่งมีปัญหาให้แก้ได้ตลอดเวลาและที่นามาเส จ, จัน์ก็คือว่าทุกๆุกปัญหาเนี่ยมันมีคาตอบ ที่ไห น, นมันมีคําตอบในคำทีของ Allah Subhanahu Wa Taala เพราะฉะนั้นเรานี่เหมือนคนป่วยคนมีปัญหาก็เหมือนคนป่วยคนป่วยนี่มีปัญหาต้องอาศัยการรักษาการเยียวยาแล้วคนที่จะมาเยียวยาเนี่ยต้องมีนิสัยยังไงถึงจะเยียวยาหมอต้องมีนิสัยยังไงหมอดุดุเนี่ยคนไข้ชอบไหมชอบหรือหมอที่แบบเวลา ฮะหมอต้องใจดีอ่ะยิ่งหมอใจดีเท่าไหร่คนป่วยก็ยิ่งมีกำลังใจที่จะพ่จะรักษาตัวเองเพราะฉะนั้นการใช้พระนามว่าอัลลอฮ์เม้นอัลลอฮีนกับอัลกุรอานกับการพระจารอัลกุรอานอลกิริมเนี่ยมันให้กำลังใจกับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าปิดกั้นตัวเองจากความเมตตาของละตัลลาเลยทำไมเราต้องปิดกั้นตัวเองจากความเมตตาของละตัลาด้วย อัลกุรอานเป็นความเมตตาไหมเป็นความเมตตาแล้วเราปิดกั้นตัวเองจากอัลกุรอ า, านทําไมอันนี้แหละบางคนป่วยแต่ไม่ยอมรักษาอัสล่ฟุรุลลอฮวาอะตุฮิ ย, ยอมทนเจ็บป่วยอยู่ชีวิตนี้มีปัญหาเยอะมากแต่ไม่ยอมหาทางออกก็บอกว่าในอัลกุรอานมียารักษาให้กับปัญหาของชีวิตไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเหมือนพวกผู้ศริกีนที่ละลังละงละจะพูดจะลังจาก เพราะฉะนั้นรับเกิดนี่คือความเมตตาจาก Allah อัลกุรอานคือความเมตตาจาก a l a h ตรงไหนบ้างที่ไม่ใช่ความเมตตาจาก Allah ต่ละในอัลกุรอานบอกมาที่เราไม่เอาอันไหนที่เราคิดว่าอันนี้มันไม่ใช่ความเมตตาแน่นอนไอ้ที่มันไม่ใช่ความเมตตาเนี่ยก็คือสาหรับคนที่ไม่ศรัทธาแต่สาหรับคนที่ศรัทธารหันลิลมุกมีนีร่หันลิลมุตเตกีนร่ำหันลิลมุสินีสำหรับคนที่ตัวะส สัตธาสําหรับคนที่ทําความดีอัลกุรอานคือรักนะผูดันวะรัชมาชนที่นี่แล้วทําไมเราถึงไม่ยอมรับอัลลอฮฺต้องสงสารตัวเองด้วยนะสงสารตัวเองที่ชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเมตตาจากอัลกุรอานุลการีถามจริงๆถ้าชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ยอมรับความเมตตาจากอัลกุรอานุลการี เรากำลังหวังพึ่งความเมตตาจากอะไรอยู่ที่เราไม่เอาความเมตตาจากอัลกุรอานเนี่ยเราเรากำลังหวังจากอะไรเราจะหาทางออกให้กับชีวิตของเราเนี่ยจากอะไรจากคําสอนของใครถ้าสมมุติอัลกตาลาสอนเราบอกเราขนาดนี้แล้วเนี่ยว่าทางออกเส้นทางของเราที่จะนํากลับไปสู่การรอดพ้นในชีวิตนี้จนกระทั่งเรากลับไปอัลกตาลาเนี่ยต้องการคําคสอนขอัลกุานอัลกตาลาบอกถึงขนาดนี้ แล้วบอกไม่ใช่บอกแบบกําลวมไม่ใช่กิจบุญฟุศิเลตอายาตูหูนี่คือคำพีที่อายักทั้งหลายของมันนั้นฟุศิเลตฟุศิเลตก็คือแจกแจงความหมายของศูนย์นี้ฟุศิเลตหมายถึงถูกแจกแจงแยกแยะ แยกย่อยให้เราเข้าใจง่ายที่สุดอุศิลอายาตูนี่คืออัลกุรอานกรีิไม่มีใครที่เรียนอัลกุรอานด้วยความตั้งใจจริงๆแล้วก็ใช้วิธีการที่เหมือนกับที่ท่านนาบีสอนบรรดาสาบะจริงๆเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วเขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากอายะห์ของอัลกุรอานเป็นไปไม่ได้ทุกคนที่เรียนอัลกุรอาน ด้วยความเอกราชด้วยความด้วยวิธีการที่ท่านนาบีนสุลต่านอัลลนนอฮฺอัลลอฮฺสั่งสอนอุมมะของท่านซาบาะของท่านย่อมต้องได้รับเพราะอัลกุรอานถูกประทานลงมาให้กับเราฟุษีและอะยาตุฮฺกุรานั้นอาหราบินยลันเป็นคำภีภาษาอาหรับสําหรับคนที่ ยาละมูนสำหรับคนที่รู้อ่ะอ น, นี่มีคำถามแลลวแล้วเร า, ม า, มาไม่ใช่คนอาหรับอะ่ะก็นี่ไงเขาแปลไทยให้แล้วอัลฮัมดุลิลลา์ขนาดป้ายบอกทางมันก็ยังมีสองภาษาให้เราเลยนะทำไมเราอยู่ประเทศไทยต้องมีภาษาอังกฤษด้วยเอาจริงป้ายตามทางอะ่ะก็เอาไว้ให้คนที่ไม่รู้ภาษาไทยรู้ เดี๋ยวนี้อัลกุรอานมีแปลเป็นกี่ภาษา س ุ ح ا าอัลลอฮ์ภาษาอะไรที่ยังมีอยู่ในโลกนี้ที่ยังไม่ได้รับการแปลออกไปบอกเขาได้เลย <c oughs> เขาจะแปลให้เลยนี่แปลมาเลยเขาจะพิมพ์ให้เลยนี่ไม่เกี่ยงนะศูนย์กษัตริย์พระฮัทที่มัดีนะ่าที่เรารู้จักกันดีศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในการจัดพิมพ์อัลกรุรอานอุลกีริมนะใครที่ไปอุมราะใครที่ไปฮักใครที่ไปมัดีนะ่า ไปเยี่ยมด้วยไปได้นะบางคนต่อแทบบางคนไม่ได้พาไปไม่เป็นไรเราไปเองนะหาพวกนักศึกษาที่อยู่มาดีนะฮะเนี่ยช่วยบอกว่าป้าช่วยช่วยป้าไปดูหน่อยสิช่วยป้าไปดูหน่อยสิจะดูที่เขาติมอัลกุรอานที่ใหญ่สุดในโลกว่ามันเป็นยังไงมีเป็นร้อยร้อยภาษาล่าสุดของภาษาไทยเนี่ยส่งมาเป็นเป็นคอนเทนเนอร์มาให้กับชาวแล้วเราจะบอกว่าเรา ไม่รู้มันเป็นภาษาอาหรับเราเรียนไม่เป็นครบแล้วแล้วยังไม่ยอมเรียงเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเป็นภาษาอาหรับเนี่ยมันมีเอตุผลเพราะว่าภาษาอาหรับเป็นภาษาที่เรียกว่าอะไรอ่ะภาษาอะลรใช้เพื่อในการรักษาความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานได้เป็นภาษาที่น่าแปลกมากที่น่าเึ่งมาก จนกระทั่งทุกวันนี้ภาษาของอัลกุรอานเนี่ยยังคงถูกใจยังคงรักษาความคลังของมันความบริสุทธิ์ของมันได้นี่เป็นเหตุผลที่อัลลอฮฺวางแต่ละเลือกเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไจะไปอะไรแต่เราเห็นแล้วว่าภาษาอาหรับนี่เป็นภาษาที่น่าเึื่จริงๆนะครับคำแต่ละคำะสำนวนในการใช้เนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันมากๆและ เหมาะสมที่จะใช้เป็นภาษาอัลกุรอานซึ่งจะอยู่จนถึงวันสิ้นโลกอันนี้่าก็อธิบายได้แค่นี้บางทีเหตุัลอื่นอาจจะมีเยอะกว่านี้อีกในการที่ละตะลานใช้ภาษาอาหรับในการประชานคมภีของพระองค์อัลลอฮฺจะอัลละอฺแต่จะบอกว่านี่คือคำภีรอัลกุรอานจริเป็นภาษาอาหรับก็จริงแต่ทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลลา ได้รับการถ่ายทอดได้รับการตัดซีได้รับการอธิบายทั้งที่เป็นคำพีเป็นตํำรับตําราทั้งที่เป็นบทความทั้งที่เป็นบทบรรยายทั้งเยอยะแยะไปหมดมามาใครอยากจะเรียนอัลกุรอานแล้วไม่รู้ภาษาอับรับมาเราจะสอนมีคนสอนอัลกุรอานเยอะแย ะ, ยะแไม่เรียนตรงนี้ก็ไปเรียนที่อื่นไปทําำละก้อที่อื่นไปตัดับปุที่อื่นไปอะไร มีคนสอนอย่าๆเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองจากความเมตตาของอัลกุรอานเลยเป็นคนที่น่าสงสารนะเป็นคนที่เอ่อก็เรียกว่าอะไรอับจนมากๆอีลาฮออัลลอฮฺอัสซาบุลลอฮฺคือถ้าคนมันจะไม่เอาอะนะอย่าว่าแต่ภาษาไทยรู้ภาษาอาหรับเองถ้ามันไม่เอามันได้อะไรไหมมันก็ไม่ได้อะไร อะไรทำดีล al ่ะเาไม่ร e ah. ู้ภาษาอาหรับแต่เราเอาอ่ะแต่ว่าเราได้ไหมอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะทำดีล่ะเราไม่เป็นคนอาหรับแต่เราต้องการอยากจะรู้เราได้เราได้รู้ว่าอัลกุรอานกำลังพูดอะไรอัลกุรอานกำลังบอกอะไรเราไอคนที่รู้ภาษาอาหรับแต่มันไม่ยอมอะมันไม่เอาอ่ะถามว่ามันรู้อะไรไหมมันก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละเหมือนใครก็นี่ไงเหมือนอบดุลจาล เหมือนอูตบะเวนรอฟีอ่ะเหมือนอบูละฮับอันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของภาษาแล้วก็เป็นตําต้นต้นตรับเดิมเดิมของภาษาอาหรับเลยและทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็มันไม่เอาอะ่ะพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นคนที่ไม่เอาเราไม่รู้อาหรับแต่ถ้าเราอยากจะได้เพหาคำศัพท์อย่างไรภาษาอาหรับมีบ่าวของพระองค์เยอะแ ย, ะ, ยะมากมายที่ทําหน้าที่ในการถ่ายทอดภาษาอาัลกุรอาน ให้กับพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นเปิดขอแล้วเราก็อาจจะตั้งใจถ้าใครที่มีความตั้งใจบอกว่าอย่างน้อยอยากจะรู้ภาษาอาหรับบ้างเล็กๆน้อยๆก็อั น, นยิ่งดีก็ไปใหญ่ถ้าใครที่รู้ภาษาอาหรับและสามารถที่จะเรียนรู้อัลกุรอานเพิ่มเติมได้อีกแน่นอนว่าอันนั้นยิ่งเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคนที่เข้าใจภาษาอาหรับแล้วยังมุ่งมั่นที่จะทําความเข้าใจกับอัลกุรอานอันเนี้เขาจะยิ่งเข้าถึง สัมผัสถึงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานมากขึ้นไปอีก อ, ลลอัสซครุลลอฮจูบเลบชีรอนวานาซีรอนนี่คือหน้าที่ของอัลกุรอานนะครับแจกแจงทุกอย่างแล้วบชีรอนเป็นผู้แจ้งข่าวดีวานาซีรอนแล้วก็เป็นผู้ที่นำข่าวขอาวเป็นการเตือนข่าวการลงโทษขอาวร้าย มาให้มนุษย์ได้รู้ตัวก่อนที่การลงโทษเหล่านั้นจะมาถึงะอัลบอัรุฮมฟะฮมลาะยสมอูนแต่คนส่วนใหญ่หันหลังให้กับมันคนส่วนใหญ่ตรงนี้ก็คือในสมัยของท่านนาบีสุลว่านละฮและอาจจะรวมถึงในสมัยของเราด้วยหรือเปล่าก็ลลอฮาลนะครับแต่ว่าอันนี้ถูกประทานลงมาในสมัยนั้น น่าจะหมายถึงคนเหล่านั้นเป็นกลุ่มแรกเลยอูดุบิลลาฮิมินดาบิ الله وأكبر فأرده أكثرهم والمراد بالأكثر هنا الكافرون الذين นีอการีก็อาจจะรวมในยุคนี้ด้วยมีคนมากมายนะครับส่วนใหญ่แล้วยังยังไม่ได้รับประโยชน์จากฮ i ด a y a h ต่ออัลกุรอานไม่ยอมเปิดรับฟังประโยชน์ออัลกุรอานการี ฟะฮุมลายาสมาอูนคนเหล่านั้นเป็นคนที่ไม่ได้ยินอะไรเลยมีหูไหมมีหูแต่ไม่ได้ยินเหมือนกับว่าไม่ได้รับประโยชน์ไหมไม่ได้ยินคาพูดของ Allah ไม่ได้ยินขิดายัดของ Allah ซุนฮานะวะตาอัลละห์ Allah musta'an um lah hawla wala quwwata illa billah นอกจากจะไม่ได้ยินแล้วยังมีความดื้อรั้นอะไรบ้างขอล l l a h เดี๋ยวขับหน้าก็แล้วกันนะครับวันนี้ น่าจะพอแค่นี้สี่อายัดจากตอนต้นสุรตุฟุสศิลที่เริ่มต้นด้วยการอธิบายการประทานอัลกุรอานุลกลีริมว่ามันเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุลกิลาริฮ์อัลลอฮิสุบิชิอัลราะห์มานอัลราะฮีสุกแจกแจงเนื้อหาต่างๆของมันให้กับคนที่ต้องการจะรู้อินชาอัลลอฮ์นะครับเราตั้งใจให้ดีเวลาที่เราเรียนอัลกุรอานเราบอกแล้วเวลาที่เราเรียนตั้งใจเนียนให้ดีว่าเราเรียนเพื่ออะไร เรียนเพื่อขจัดความไม่รู้ข อ, องเราออกไปเราเรียนต้องการที่จะให้เรารู้แล้วก็เอาความรู้ที่เรารู้เนี่ยไปปฏิบัติไปบอกคนอื่นนะครับต่อไปเรื่อยๆนี่แหละคือสิ่งที่อัลกุรอานนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากไม่ง่ายแล้วมันไม่ได้ยากเลยหุ่ยฉี่ของอัลกุรอานก็แบบนี้มันไม่ได้มีอะไรที่แบบซับซ้อนอะไรเยอะแๆมากมายสร้งให้รู้รู้แล้วทําทําแบบอิสติกมะแบบ แบบเขไเรว่อะไรนะไม่ไม่เลยเถิดแล้วก็ไม่ย้อนยาให้มันกลางกลางเสมอนี่แหละเอาละแค่นี้เดี๋ยวเราจะได้รู้เนื้อหาของมันเนี่ยนําไปทางนี้แหละอิฮดินอเซรอตัลมุสติกไม่ได้ไม่ได้แปลกคือแสดงอะไรเลยนะครับเป็นเส้นทางวิถีทางของคนแบบธรรมดาธรรมดาอย่างเรานี่แหละที่จะได้อิสติกรมาบเส้นทางของอัลกุรอานอิสลามอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺตะกะลาอัลัม و ักษา الله l l a h ใ م ้แก่คุณในสิ่ ل ى ี่เขาช ح บ ب ละต้องก و รซุลลัลลอฮฺอาลัยนบีอัลลอ ب ฺมุฮัมมัดแล م อัล ل อฮฺแ ل ะทู ل สวร و ค์แ ح ะศาลา و ุตานะ ل م บบิคะรับบิลอัลอัลอัลอั